ลินก็ตรงว่าทําใจาสบายไหมจุกจนหยุดการภาวนา <c oughs> แล้วก็ไม่สนใจอารมให้ใจเขาออกแล้วก็ไม่ต้องโกรธฉันนะตุยางตอบดังๆเพราะว่าเขาวันพิเศงไว้ก็ได้เอาวันพิเศษนี้ไปเป็นตัวอย่างนำไปบ้านก็ได้นําไปใช้ในการปลุกปล้องคนอื่นเมื่อชอบมาลงเขาตัวเราเอง ระเบีบคณาาที่มาวันนี้ก็ป็นคณาจา่ยังหวัดแพร่การนะหนึ่ง้อยสองจิตสามอองหวงะหัวขงะหะได้สี่เป้าเล็กห้ามีอท้าหกยันนอนเียดนันแปดตะขอเป็นเรื่าเวลานี้ขอให้ทุกคนทําใจใจสบาย อย่านั่งช่วยฉันเพราว่าฉันไม่ได้มาค่าฉันต้องการไปช่ยวยถ้าถ้ามีอะไรขัดข้องก็ไม่ต้องเกรนใจเพราะว่ามีอะไรขัดข้องจะได้แนะนำกันเขต้องการอย่างเดียวคือผลปฏิบัติมันมีผลแล้วเวลากระท้อนทำกำลังใจให้ทำกำลางใจให้เสุดแต่บบเบาๆสบายๆแต่ น, นี้ทุกคนก็ตัดสินใจ ว่าเราจะเป็นผู้ตองสีมห้าบริรสุทธ์ตลอดชีวิตและวก็เรายโยงจิตยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและวก็อริยสงฆ์ให้มั่นอยู่ในจิตไม่ยอมไม่คลายกำลังใจงของทุกคนตัน้งใจว่าเราต้องการผลิตาัณ์เกีดเดยรตยข้านต่างบายนะเพามัน มันเมื่อยแล้วก็จะพิศหน้าทิ่หางเขาสมาัครเขาเกิดกําไรกรรมียาใสไม่เก็นไรนะหลังจากนั้นไปทัทุกคนตั้งกําลังใจที่จะนาหาความสุว่าขึ้นเคอว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายขเขาบกพนเองก็ดี <c oughs> ดูว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายขเขาดีแล้มันสะอาดสะอาบ หาความจริงไม่พบหาความจริงพบไปอยู่ในร่างกายจะได้เป็นปุถิดความทุกข์และก็เป็นการทีสองร่างกายพบคนทุกค น, กคนทั้งพวกเรากั้งเขามันก็เป็นปุถิดความทุกข์ทุกรายการแสวงหาขี้ทุกเรงการทงขี้ทุกเรื่อการปวดท้ายไม่สบาย ทุกเรื่องการเราทุกกระท่านการมณที่เราไม่ชอบใจทุกเรื่อความทักข์ยาจากของรักขอชอบใจทุกความตายที่จะทำมาเสียที่เราต้องมาทนทุกข์ทุกอย่างนี้เพราะหนึ่งความทั่วของจิตได้แต่ความโลภทำให้โลกเป็นหมายความว่าชอบชื่อย่างถ้สถึงเขาบุคคลอื่นเขาเป็นมากจะยิน้อยกับารที่ว่าเป็นความตัว ไอ้บริการที่สองจิตใจเรื่องความสุขใครก็ทําอะไรไม่เป็นที่ถูกใจเราก็โกรธมันเนความเป็นจริง่อ <c oughs> คนทุกคนจะให้มีรมใจเสมอกันไม่ได้ความพอใจยังแตกต่างกันมันเป็นของรธรรมดาก็เงมคิดไอ้บริการที่สามแล้งหลงทุกข์ร่างกายพวกเรามั น, นจะโซนตัวแร่างกายบุคคลคน อ, อื่นที่เรารักมั น, นจะโซนตัว วัตถุธาตุทั้งหมดที่มันอยู่ในโลกมนจะส่งตัวเราจะอยู่กับมันชั่วคราินสลายนไม่เป็นความโง่โคตรอีกในชาติก่อนเราจะพาสมาเปิดแต่ก็ยังเป็นความดีอยู่มากที่เกิดขึ้นมาแล้วเรามีความโคในผู้ต่อสัตยสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พอใจในการเจริญสมถะกรรมฐานวิปปนากรรมฐานแสดงว่าเรามีบารมีแตกกล้ามาก กัลระมีผลใน้ทเรอปะละมัตต์กัลปะมีคนที่มีกำลังใจงเป็นปรมัตต์กัมีถ้ามีความเส้นแข็งเกียวก็จะไปวิ็นพระลิขพานได้ในชาตินี้ความตั่วก็มีความดีย่อมปรากฏแต่ว่าเราจะหนีความตั่วไปได้ทั้งหมดก็อาศัยมีถือสมาธิสุายาโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่เมาในร่างกายเราเอง ที่ประการตายนี้ไม่ใช่เราไป่ใช่ขเราไม่ใช่สุโบทั้งอะไรสักงนันเวลานี้เราต้องการอย่างยืดหยุ่นทันทีทุกคนรอมีอย่างรอมันนะดีมากตอนนี้ไปขอทุกคนตั้งใจไม่ถึงระมีขอองค์เบจตสมาชพระเจ้าว่าขอองค์เบจตสมาาเรจเจ้าเป็โปดข้าพพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่มีความเมื่องใสในองค์ขอสนอต็วสัมมาวิเจ้าดงสัน德拉พระองค์ให้ทราบพเจ้าการปวดศรีับกีเป็นตัว่อยเห็นอย่างหดลูกผมเป็นยังไงพระเจ้าแต่โตัวอป็ายังไงีอะไรเป็นินน่ะเป็นยังไงจะสียอะไรจ้ะี่ขมดเลยาหมดเพรลแล้วก็ตูมก็ศรีขันธ์มันคงกระสัใช่ไหมใช่ค่ะ มีอมาติดต่องนะไม่วด้จิตจะเกันนะถ้าไปวงเลยหวงัานเลยคุณแตกกลุ่มเล็กเอเห็นไหมไม่เห็นจากไม่เห็นต้อมใจสบายสมานนะไน้อมใจตามเขานะท่าจิตให้เป็นสุทธิ์ว่าเวลานี้มีเรามีกองรถในอ ง, อองกสวนใหสสมา ส, าสาุขจาว คำว่าเห็นจะถือเอาตายเห็นเรื่องตางกันกงจิตถือวามเรื่องเิตนะเมทาเระเห็นไหมเห็นแบบเหมือนกันไหมคล้ายๆกันแต่ตาตังไหนตัสีออกขาวสีสุดต่างเพราะว่าเมทานี่ก็อแสดงภาพแบบนั้นนะถ้าันนอนไหมจ้นมีอะไรจ้ามีออค่ะใ่ไหมเร็จแลวมีอะไรแตกไหมมีสีอะ้แตกไหม นีแจ่ถกต้องนั่นแหละมีเท่าไรกันไหมเออครองนั่นกันใช่ไหม <c oughs> สแสดงว่าทุกคนไม่มีรมใจเต็ม น, นะดีใจไหมว่าที่เราไม่รมใจเต็มเรมีกันเต็มเลยลมใจมนะควรจะรักษาตรงนี้ไว้ตลอดชีวิตนะว่าการที่เราใจเห็นพระพุทธเจ้าไดเ้เป็นของยาก แต่พาะอย่างยิ่งการเห็นภาวะพลุกพานเนี่ยมันยากเสียจริงพระบรมีของเราถ้าไม่เป็นครบถ้วนเป็นปรมาธบรมีไม่มีทางน่าตนใจนะก็ยนอกจะเขาจะได้จาแล้วโลกจะไใครสักคนคะนะจ๊ะหลงพ่อนะงพ่อเลยแล้วก็นอกจากลงพ่ อ, อยังไงจให้ลงตามเออดีมาก ต้พอแตงตัวอะไรหอไม่สงไม่สงเลวปูปานล่ะของปูปานก็เป็นไม่สงนะผิวอะไรจ๊ะขาวขาวเลยผู้ป่วยิ่งหรือป่าไม่เลยต้องต่เน่ถ้าผู้ปัวยได้วอกขอดูภาพที่ผู้ป่วอยู่ท่านดูสิทีเสียงผูป่ต่งตัวเสือรงเป็นยังไาขอเห็นตามความในใจต้นเทด แต่งตัวสีอะไรเลยสีทองะสีทองเาร้องคนเมสีทองเป็นเพชข่คลยทาปูที่มีสีเดียวเลยน้ำปูมีหลายสีนะแต่หนูชอบสีทองครเปล่าทอบค่ะท่านจะแสดงตามชอบนะแต่หนูดูลุงพ่อทสีอะไรหลยผมชอบก็เป็นเธอดาสีอะไรเลสีทองเหมือนกันสีทองนะทอมากและทองน้อย คล อ, อ, องมากหมดแล้วก็มีเพชรมากด้วยเพชรมากนะเหมือนกันค่อยๆมันปวดใช่ไหและก็หนูลองคิดว่ามีท่านคนใดบ้างที่เป็นมารดาดั้งเดิมมาในท่านมาดีน ะ, ะท่านเป็นมีมารดาแล้วท่านเป็นรแล้วท่านเป็ยุ่ธานเป็นแล้วขอท่านผู้เป็นมารดาในดั้งเดิมดโป แ, แสดงสดแรกก่อนไม่ยาง มาเยอะะมาเยอะมาหลายท่านนะเพราะว่าท่านองค์ไหนที่มีความสำคัญที่สุดว่าทุกท่านะพ่แม่มีความสคําเสมอกันแต่ว่าต้องการท่านที่เป็นานนาที่มีความสำคัญที่สุดนามาที่สุดก็ได้ออกไปอย่างูพี่เจนเมฆค่ะพเนเมฆเลย่เลี่เจนเมฆเลยอ่าค่อใหาแต่ตัวงหลุดเป็นเาดาเปเดาีอะไร สีเหลืองทองทองคืออะไรทองเลยท่านบอกบส้าวที่ทองมานานแล้วมั้ยเนี่ยไอัเนื้อข้าวที่ทองมานานใช่ไมทองใช่ไหมทานโดยยามปกติท่านสรงสีอะไรหนระือทองทองทองไม่ตางทำสีทองแม้เป็นเวลาที่ทรงธรรมใช่ัหมใช่ถ้าเป็นเวลาที่แย่ําน้าท่านได้สีอะไรนะ <Yeah. S 1> แดงเนวะลา ย, ยามปกติออกปชุมริวันตามปกติเป็แ่สีอะไรสีเียวอ่อนๆเออถูกต้องยามโกติอรไรเห็นแค่สีเขียวยอ่ อ, อ, น อ, อนนะ<ม>เวลาทรงธรรมเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะท่านะทนมาที่นี่ในเิ่งทัง้งงผู้หนุ่ทั้งหมดเนะียูทรงธรรมนะทุกท่านโดยมากมันจะมาในสีทองนะ แล้วก็เวลายามบกติถ้ามีบา ร, รมีมากจริงจริงตระดาก็ ด, ด, กดีทรงก็ดีถ้าท่านอิทธิพนแล้วก็ดีถ้าบารมีมากจริงจริงก็ทรงสีเป็นสีแตงกราวพรนะนะองค์นะสีขาวนะสีขาวอะไรแบบอะไรฉั น, นยนังถามแล้วก็จิตแหละจิตโดยที่ว่าใครเป็นบิดาและบรรดาที่มีความสำญเพราะเกมาเนียมาอย่างอะไรก็ค<ม>อยออะไร คุณแม่คแม่แม่อจ๊ะสา ม, มาวดีสา ม, มาวดีทำเรื่งองสา ม, มาวดีที่เวลานึกถนะึงการิพันพและนะ้วงท่านการันธ์แล้วใช่ไหมเพราะว่าเวลาถ้าเยียตายท่านเป็นพระนาคามมี ค็เลยเมื่อเป็นก็น า, นาคามีเวลาตายแล้วท่าก็ต้องปิากแน่นอนต้องเข้ปรียนรามตไใ่เรื่องใส่ไหไหมดมตรงคือะไรนะคนอตองค่ะคือตองเลแม่ที่สามเอาดีถามว่า อ, อ, าอ๋อจะทำมเศ้าเสีนสามเอาดีไม่มีเรื่องเหตุจำมลยนะคนนี้รู้จักพ่อรู้จักแม่แล้วนะเพรว่าพ่อแม่ไม่มีคนเดียวใช่ไหม นอกจากท่านสามาวดีทั้งหมดเติมใ้มาทุติสมาแล้วเนี่ยมาเยอะไปแต่เนี้ยกราบท่านนะจะไม่นานทุกครั้งที่พอเราทำสมาธิจิตพอจิตเลยสดจริงๆแล้วไม่เห็นวิญจาณมาแต่การท่านแล้วตนนึกถึงพ่อแม่นาะดีทันทีวนะแล้วก็ท่านมาก็ต้องไหว้ท่านพระองค์นะกราบไปสนาท่านนึวกว่าเราไหว้พระองค์เพราะท่านเป็นผู้มีคนอะุ้ย ก็ได้มีความมั่นใจว่าเรามีพ่อมีแม่เน่ยอยู่ที่นิพานก็มีอยู่ที่สวรรค์ก็มีที่โถก็มีทัานทั้งหมดนี้ก็มีความรักไม่ตายเพราะมีความผองอย่างนี้โยู่ตลอดเวลามาแล้วะเราจะเกิดเป็นลูกท่านไม่ได้ชาติเดียวฝันม่ได้ใสงกับกอามท่านก็เลี้ยงให้เราเป็นลูกอยู่ไอ้ตัวของน่ะผองของเห็นไหมลินเจดูที่ใครเป็นพ่อเป็นแม่มีไหมเรียนขึ้นมา มาแล้วนะเยอไหมเยอครัยเป็นขั้ดาทั้งสมใช่ไหมใช่ค่ถามไม่รู้ว่าข้ไฟสว่างเป็นภาพพิธีรหรเปล่าไหมมีคอพ่อแม่ทั้ง่อเลยใช่ไหมใช่เตั้งใจว่าคอฟดูจักท่านจริงจสักองหนึงที่มีความสำคัญที่เรยึดติดใงใจท่าบอกชื่อใหับ อะไรก็เียงนะโอเคเลยวะโอเจอาเถอะแม่สาเมาว่าเป็นที่นน้องแกนเลยอเจ้าเทนทำอยู่ที่ไหนเวลาเนี้ยคือเทวดาหรือคนหรือบริสันต์ิสันเลยไเจ้าเทนเนีเกิดในสมัยพระพุทธเจ้า แม่ยึดเปกำลังใจนะยึดท่านไว้ทุกครั้งที่เราต้องการจะขึ้นแบบที่พวกนี้ข้างบนเลยแม่ยึดท่านาที่มีความเท่ากันเป็นองค์แรกแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องนึกถึงทุกองนะถ้าท่านอยู่นิพพานเนี่ยดีแล้วใคราจะไปไหนเขาบารมีท่านช่วยนอกจากพระพุทธจ้าแล้วทูตบาอาจารย์แล้วก็ว น, นึกถึงพระบิดาบรรดาที่เขาเสีนภาเขอยิพพานแล้วก็ท่ทานอ่าทุนเมทา เหนพ่อเห็นแม่ไหมทุกคนนึกถงครับท่านที่มีความเคร่งขรึมขยันเอาให้ท่านมายึงขนาเนี่ยตลอดที่เราต่างเป็นโทมเป็นตมนะครับเป็นโมฐานท่านเกียอะไรสมบูีตมสมบูีตมนะครับไม่ร้สมาูรีตมคือไม่แน่มาเปล่า ท่านี่เป็นแม่นาดิค่ะที่มีความสำคัญมากคือแม่ในเยอะแต่ขอให้ท่านแม่ไปผูด แ, แม่แสดงตนและใจกดเพื่อไป ย, ยึดถือไปกำลังใจอำมาแล้วนะครับทำไม่เสียที่มาสต์ดีนะทุกตัวที่มดีงงนะครับจำที่อทำไม น, นะครับไปยึดเป็นกาลังใจไว้เลยนะครับนอกจากสองอค์นี้แล้วเราก็ต้อง น, นึกถึทุกองค์นะอันดับแรกยึดอง น, นี้สองอค์ไว้ก่อนนะครับ จะได้เป็นกนลาลังใจได้มีกำลังใจว่าเราได้มีพอ่อสามดีตตอมนี้ก็จะเป็นอะไรนี่แล้วนี่จะใช่หครับถามถไม่เดินเส้นสิงห์ใชครับตายข้างหลังนี่นะครับอ่าแล้วก็เป็นอมเอเออพ่อะไรไมย่ยายลูมามาแต่เขเอาองค่อของขเออองกใชเอของเล็กลอดีกใชนไ เวานี bon. uit uit uit? No? Mm ้โบจะได้คนอยู่ที่ไหนโลกเป็นและพระนิานไม่ยังไปแล้วเลยไปแล้วเลยยินมไหมยินค่ะแต่สวยสวยัหยสวยค่ะสวยมากเลยถ้าหนูถามนี่แม่เนี่ะแม่จะมีคู่กับท่านมาแล้วค่ะไปแลค่ะก็ไม่สูดแ้วสูดแล้วหลแล้วดีดแล้ว ก็สีสวยไหมสวยดาค่ะเยอมากเลยอย่าค่ะกันเข้าในนะเวลาระยะขึ้นไปตอนนี้ท่านพระออกนี่เป็นประทัดฐานนะย<ช>ึดเป็นกำลังใจนะม<ช>ีความภูมิใจนั่นเลยจ้ะนั่นหรือไม่แยงไมดีพอ<ช>ค่ะที่บุมพันเลยแต่ว่าถ้านเป็นแม่หลวพ่อแม่ในดีจะมีมากแต่เฉพาะที่ท่านเป็นดวงดาวที่ส่ท่านไปพพานแล้ว เมือท่า น, นี้ไนิพพานแล้วเป็นไข่ทียังไม่ปฏิพอานกามที่มีฟานทั้งคันดที่เราเกิดไข่เห็นไหมเออชื่ออะไร่ชื่ออะไรแต่เรือดขาวออเออเป็นเร่องไรอย่นี่เรื่ความพิบแบ้เดินหลังโกง ฐานไม่ขี้แก่ีมันะนี่จะไปแต่งลูกพี่ไอ้ลูกถึงต่างความเป็นจริงมันรอดลูกเลยสาวอย่างสาวแล้วสว ย, ย ไ, หไหมสวยออะไรอันหล่อขี้ไหมฐานไม่ขอะไร เช่จิตอรแม่น้ำตู้ถามที่ชื่อไรนะบอกชื่อไนันาบชื่อน่อ้ยถามทีาชื่อไรแม่แม่้องนั่น ต่แม่ออกถาซื้อเปล่อลูกอะมแกงเลยซื้อจมไว้นะถ้าเราเป็นลูกขาก็ตามยึดอารมณ์ไว้นะอา้มเรากนะ็ <c oughs> าจะไ้ไม่เสีย อ, <c oughs> อย่าโน้ติดกฎจะสร้างความมั่นใจไปให้กับเรานาะเพราะเรามีพ่อมีแม่เป็นพรนดาเป็นคมได้ไม่นอุปกานไม่เสีส ย, ยู่้ขยันอุปการนะใช่ไห <c oughs> แล้วก็ละครไหนเจ้าไม่เป็นไรคอยตามเขาเนานะ ตอ น, นี้ไปขอทุกคนรวบรวมกําลังใจนะเป็นตัวฉันะทะนิ้งกระแหงไปเพราะว่าไม่ต้องไปวัดตอนฉันเห็นอะไรตอบตามความเป็นจริงเท่าไหรอย่างน้อยที่สุดจะต้องถือว่าฉันเป็นตัวโู้สอนนะไม่ใช่จะไปนั่งดา่านั่งว่านั่งดุกกันอันนี้มันก็ไม่ผู้แต่คนจะต้องดา่าต้องว่าต้องดู ก, กันก็ไม่ใช่ผู้ศึกษามะ การสุธรรมเป็นขอละเอียดเป็นเพราะอย่างนี้เราตั้งอาระณิท่านผ่านนี่การบกก้องบ้างเป็นของธ่านบรรดาที่จะมาแนะนํากันนี่ก็คือว่าป้องกันการบกก้องถ้าบังเอิญมันมีอะไรบกกล้องขึ้นมาแล้วก็จะได้แนะนํากันนะให้ทำใจสบายนะคุมกําลังใจเกาะกมเด็จตัตมาพุทธเจ้าไว้นะเกาะหลวงปูไ่ไว้นะเกาะหลวงพ่อไว้นะแล้วเกาะแม่เกาะพ่อไว้นะ ทุคนเห็นพร้อมไหมใช่ไหมอนพร้อมนะท่านบิดารรรมัรดาทุกท่านก็มาพร้อมแล้วใช่ไหมตอนนี้ไปก็ขอบา ร, รมีก็โอสมเด็จตัณสมาสมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านบิดารรรมัรดาและท่านผู้มีก็คุณทุกท่านคือเดชภูบาจันทร์ทั้งหมดคอยช่วยกํลาลังใจข้ามันดาลูกทั้งหมดให้มีความสว่างไสวซึ่งทุกเสียงทุกอย่างถ้านเห็นอะไรไม่ชัดเจนจังใจนะ ดีแค่เดียห่งงานเร็จสว่างมากใช่ไหมแ่แม่ก็สว่างก็สว่างใช่ไหมดีมากดีมากใช่ไหมใช่ไห้อย่าลืมเราอารมณ์นี้นะเวลาที่เราจะไปฝึกเขาไปแนะนาเขาก็ใช้แบบนี้นะเปิดเที่ยติดั้งใ่มัย่ไมว่าหลวงพ่อแนะนำมาลูกก็อย่างไเนะแล้ลูกก็เปแนะนําเองก็แบบนี้นะทำให้เรื่องมีกำลังใจเรื่องทัศนคติ ตอนนี้ไปก็ขอสำเร็จสมาสำเร็จจ่าแล้วทาีดาบรดาทั้งหมดพระพูมธพระคุณทั้งหมดในโปรดนำคณะพะลุทั้งหมดไปที่บรรลุธรรมจุฬาฯตรงนั้นเลยแป๊บเดีกระถังลยกว้างขวางมีไมก้าค่ะเอามาแล้วดูเพืนยึดอบเงือกอะไรนะหยิบทองหยิทองทองอย่างเดียวี้ย ไม่ได้งนาดถูกต้องนะยานี้ตุกต่อนี้ตาตรงนี้แล้วก็ต้องขอบารมีพระเจ้าชุ่กตุ๊กเปนนะครับพ่อแม่ทั้งหมดท่านจะได้ช่วยตามความจริงต่ที่เป็นบริเวณเขตบรุคาพูอาดพ้นท่นหมมีไม่มีใครประทับอยู่กับตางปู่ทุนยานนอกจากท่านปู่ทญนาขอบารมีท่านปูทุนาแล้วทิตกัญชาระเจ้าและพ่อแม่ทั้งหมด ว่านอกจกท่างปู่ทัานย่ามีใครข้าท่านอยู่บ้าเทไรขอเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยจำ่ได้หรอกนะถ้าเราไปไหนถ้าเราขอเห็นต้องการเห็นเฉพาะใครอย่างระบบคนนท่านที่เป็นพิษก็จะไม่ให้เราเห็นถ้าเราขอเห็นทั้งหมดเห็นตามที่สวยไหมลูกาวยมากนะท่าปู่ชองคืออะไรชองคือค่ะเป็นแกงชองคืออะไรเป็นยาล่ะ ยาสีออกขาวเปดเป็ดขาวเป็ดถต้อต้องอันยาเป็ดเป็ดสว่างจัดใช่ไหมใช่ค่ะผู้หญิงอบสวยเด็กเป็นยาแตงลาวมั้งนี่เนี่ยนี่เนี่ยข้าวแกดให้หนุกด่าอะไรใช่ไหมด่าพลาดขึ้วงหมือูกหัวลูการเปล่าลูกหัวโอ้ยไม่ขดหางเลยไอยู่หางเลยเอดมาหางกันไปดว อ่าต่อนี้ไปก็ดูด้านหลังท่านปูทานยามีต้นไม้ต้นนี้่ามีค่ะต้อะไรนะสวยไหมสวยค่ะเป็นต้นไม้แก้วแล้วต้นไม้ทองแก้วค่ะแก้วนะเนชิวไปเลยชิวใช่ไหมสวยมันเป็นสวนที่ดีนะเพราะว่าต้นใหญ่ที่ใกล้ถ้าท่านมนดูกับบลรยากาศนี่นะนี่ค่ะต้นใหญ่มากใหญค่ะสวยัหมสวยค่ะมีิ่หอมไ อันนี้เขาเรียนต้นปาลิภระชาตินะเนายต้นปาลิกระชาติที่เขาปลูกปลูกต้นข้างหลังให้กับขข้างกับแท่นตัวตัวที่ข้างหลงังเพือที่อาศัยคนเดินทางแล้วก็แท่นนี้ก็เมรสงศ์กการังหินมาวางให้เป็นแท่นที่นางของคนเนาะยเวลาตายไปนแน้วก็เมรุสองศอ์วันนี้เนาะต่อไปก็ถอนทีโศทียาที่จะสงเคราะห์ให้อวบอัดอะไรยังไหม นุบอกว่าให้ลูกฟังคำบนรทอนแต่บางครั้งลูมากที่สุอฟงแล้วประจําเลยนะแต่ฟังที่เยหพ่อคุณขาดใจตายลูกไม่ได้อะไรเลยวะท้าก็ปดทุกอย่ากที่ได้เคยเป็นปวดเป็นยาจริงๆเลยฟัคเคยใช่ไคมไอ้ลูกเนี่ยเคยเปนลูกองพ่อของเราใช่ไแต่ถ้าไม่ก็เป็นลูกไปถีอทุกคนเลยใช่ แส้ต้อยเยนยเมื่อปีมานั่งสวานนะ่างมากทุกคนเวลานี้สว่างไม่กันหมดแล้วนะแต่ mm hmm. นี่ไปก็ทุกคนนะกราบขอความ อ, ขอุณณาจากท่านโสดที่ยาบิดามดาทั้งหมดเนะในกาสมเด็จพระสัมมาสัาพมพุทธเจ้าด้วยเพราะได้รงโสดนําเข้าเขตสุลามนีเรีรีสถานที่ยาต่างเสือ แล้วก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าว่ดในพฤุลาเมื่ที่ดสถานเนี่ยมีความกว้างเท่าไรมีเครื่องประดับเท่าไรมีใครนั่งอยู่บ้างเขาเห็นทั้งหมดเห็นอย่างเม่ก่อนไม่เคยเนเี่ยอย่างทำอย่างนี้นะอย่างว้น้ว่าจ่าการพรมพุทจาาแล้วมองดูไปข้าดาองค์สมเด็จตั้มาทัเจ้ามีพระอรหันต์เยอะหเยอะเาพร้อมก็มีใช่ไหบ เดีนน๋ยวต่อไม่ไปทุกคนตั้งกําลังใจตามนี้นะตั้งใจตามเขาอบอกนะกราบโอําเดชธรรมมาพรจะพุทธเจ้าเสียแล้วกราบขอเข้ามาพระอริยเจ้าแระพุโธนาทั้งหมดนะตอนไม่ไปเขาบารมีเขาอนนโอสําเร็จพระปรมสุขเขอได้ทรงโปรดโรงอ น, นมิตรภาพเตรียมพระอริยเจ้าแล้วรับพระพระประสงค์ทางโลกี ในองค์ด้านมาที่หนึ่เป็นพระอรหรัองค์เราลงไปเป็นพระนายคามดีองค์เราลงไปเป็นพระจีช า, าคามดีเราไปทีใกล้สุดท้ายเป็นพระโสดาบันแล้วก็สุดท้ายเป็นท่านโุทธองค์กาโลกีอันนี้จะเป็นพระผูพระเจ้งตอนนี้คือไงให้เราไปใช่พระฤิษีเจี๋ยวเราบาง เห็นแล้วดิหยาเพราะโน้าสว่างมากพอน้องลองไปร้อยลงไปตามอันดับนะนี่ทุกคนต่อไปก็ตั้งใจขอบารมีพระองสมเด็จตั้มาสมเด็จเจ้าว่าในขณะที่ข้าพุทธเจ้าทรงกายอยู่หรือจิตอยู่กับกายนะไม่ว่าจิตที่ไปอยู่กับกายเนี่ยนะในขณะนั้นจิตใจข้าพุทธเจ้าเทียบเท่ากับพระอันดับไหน ขอให้รับตรนี้ตาย เ, เข้าพระเจ้าเท่ากับพรอันดับพรนะองคนะนะ์นั้นมัไปยินเท่าีอาจอยอนายคี้นะนนายคามนีตอยนี่เวลาที่อยู่เป็นมนุษย์นน ะ, ะแล้วก็ติดแหละนะคันใหนคนี้ไม่เขาเขาไม่มีความรักเขาไม่มีความโสด น, นะเขาเล่นติดขาบนใช่ไหมเขาเล่นติดข้างบนตัวแล้วอองห้องห้อง นาธามีมาเหรอเฮยตามเขานะไม่ตามอย่า้าตามเขาต้องโดนล็อกนะอ๋อโยกปลาเล็กไปเัื่ังไม่ถลาะเหมือนกันเหมือนกันนะนอนจ้ะน้นนะสนะอพองถ้าลงกล้องแบบนี้เวลานี้ก็จิตเครียดเข้ากั น, นววาธานีลงเข้างหรือว่าพอนนี้ผู้ฝึกเขาจะเชื่จิตได้ แต่ดื้อทำไมเข้ามาดื้อ่หมันไม่ไมความลัง่างใจที่ อ, อารมณ์มันดื้อหมายความวากายเคลื่อนไหวช้าเย็นแต่สว่างน้อยถ้าบอนาคามีก็อดื้อเสียเทีเท่แต่เวลานี้เรามีการเคลื่อนไหวเร็วบ่นาคามีไม่มีการเคลื่อนไหวเลยก็จะเป็นชัดเพื่อเพื น, นาคามีเพื่อความมั่นใจอไปกราบองค์พรเดชมาภิเดเจ้าเสียโตงย่พยงาพระอรสอนยเไห มีความมั่นใจดีแล้วใช่ไหมครับองสวยมากนะสวยมากสวงมากนะครคุณถามพระองค์ว่าขอพระบรมีพระองค์ทรงช่วยว่าถ้าชาตินี้บรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเวลาใกล้จะตายข้าจิตถึงอาลายตะพนขอองค์ ส, นนสมเต็จพระทิดจ้าพนไดโปรดทรงค้อข้าพรเจ้าทั้งหลายให้มีรละันี้ตายเท่ากับพระรแล้วเกิด้ใกล้กันเ แตกต่างกันนิดหน่อยใช่้หมแต่ต่างกันนะอแต่ต่างกันนิดหน่อยก็แสดงว่าเป็นธรรมดานะเป็นนั่งท่านแสดงเพืออาลัยกผลนะเวลาที่เราดิฐานเนี่ยย่าชิงนึกว่าเราไปอารัยใวลนนี้นะมันหมายความว่าเวลาเราจะตายแล้วใช้กำลังใจตานี้เราจะเป็นทหารแล้วก็ตายนะถ้าเป็นทหารวันนี้วันพรุ่งนี้ก็มีกาน เออข้าลูกทั้งหมดจะต้องได้ผ่านหนึบได้ร่างผ่านมืได้ไปเวลานี้มันจะไปเลยใช่ไหมเวลานี้เป็นศพมากมันเย็นมากนะเอ้ใบว่าทุกคนมั่นใจเลยนะมั่นใจตอนนี้ไปก็กราบขอเา้ามาไม่เิดคุนพระมนมิก็ตาเนี่ยเขาก็มาดังนั้นยังไงๆก็ต้องแสดงภาวะเป็นพระเจ้าแล้วขอขกามาโทษท่านแอบไปกราบงอ้ชนเดจพระตะวันขอพระโอวาท ว่าทำมาอะไรที่จะต้อปฏิบัติขอร้องุดตรงจักตั้นๆปฏิบัติง่ายๆเพื่อการรักษาสกขสกำลังใจของเราแต่ละคนใ่หรือเ่าว่าไงลูกมพื่ริยะให้มากกว่านี้ค่ะจำเลยนะโลกต้องมีความเพียรให้มากกว่านี้นะเพราะว่าต่อสู้กับเวรศักรูใช่ไหมอย่าวาดฝันทุกเชื่องทุกอย่างต้องมีเต็มเต็มความอดทนนะต่อสู้ทุกอย่างเราถือว่า ให้แรงเยอะมันก็ได้ไวองประกทั like yeah. re yeah. yeah. yeah. then, ้งหลายเราเนี่ยไอ้แกจะแังแกกันได้แล้วในารห้ามมันมีการหลนบเพราะว่าการห้านี่จะมีให้แกแรงแกได้ไม่นานไม่ช้ถึงขั้นตาแล้วมันเดินความใจมันเป็นจุดามนั้นนะเวลานี้ดีใจนะมันจะเป็นผานได้มีใจมีใจมันดูแม่ได้เมื่อเสียทําไถ้าโผ่ยากยิ่งไหมีให่ใหญ่ห